ของอากาศอาจ า, า, านิกเจริญพรท่านผู้ในการนะครูนักเรียนสาธุชนทุกท่านวันนี้กลุ่มสารธรรมล้านานาที่มลหลวงพ่อมามให้พูดเรื่องตื่นรู้อยู่ด้วยสติเรื่องสตินั้เป็นเรื่อง สำคัญมากคุับคราจารย์เคยสอนว่าสติสำคัญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าเราขาดสติตัวเดียวคุณงามความดีทั้งหลายจะหายไปหมดเลยสติเป็นของจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติเกิดเมืนะ่อไหร่นะอาภูสนดับเมื่อนั้นสติดับเมืนะ่อไหร่นะอาภูสก็เกิดเมืนั้น งาสติเยไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยน้อยถ้าเราไม่รู้จักสติไม่รู้จักวิธีพัฒนาสติาการจะพัฒนาคุณงามความดีทั้งหลายขึ้นมาเนะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเรามีสติถูกต้องนะศีลก็จะเกิดขึ้นถ้ามีสติถูกต้องสมาธิก็จะเกิดขึ้นถ้าเรามีสติถูกต้องแล้วปัญญาจะเกิดขึ้น ศีล ส, สมาธิปัญญาของเราปฏิบู์วิมุตต์ก็จะเกิดขึ้นเกิ ด, กดมรรคเกิดผลมรรคผลมีจริงๆนิทานมีจริงๆเพระพุทธเจ้ากว่าท่านจะคนพบมันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายยากลำบากมากเลยท่านกบอุตสาห์เอาธรรมะที่แสนจะดีแสนจะประณีตเนี่ยมาสั่งสอนพวกเราแลพวกเราเรามาฝึก ตวเเมื่อต้นเราควรให้มันมีสติให้ได้ก่อนเราไปที่ไหนนะบางทีก็ได้ยินคําโฆสนาบอกให้มีสติให้มีสติสติมันมีสองอย่างสติทางโลกๆเอย่างหนึ่งสติที่จะพัฒนาให้ศีลสมาธิปัญญาของเราดีขึ้นเป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ใจถ้าสติระลึกรู้ มีไฟเขียวไฟแดงขับรถไม่ตกถนนอะไรบอกว่ามีสตินสติอย่างลกโลกก็ไม่จัดว่าเป็นสติปัฏฐานอะไรหรอกอาจจะเป็นกุศลอกุศลอะไรยังไม่แน่ด้วยซ้นไปนะเราไปใช้คำของพระใช้คำว่าสติความหมายมันก็เคลื่อนเคลื่อนไปเพื่อนพวกเรามาเรียนให้ได้สติปัฏฐาน สติที่เระลึกรู้กายสติที่เระลึกรู้ใจของเราเองสติเนี่ยเป็นตัวรู้ทันเวลาทํางานเนี่ยทางานตัวเดียวก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่ดีเลิศหรอกไม่เกิดมารคผลนิพพานหรอกถ้าทํางานนะมีสติด้วยแล้วก็มีปัญญาด้วยมีทั้งสติทั้งปัญญานะมรรคผลดึงจะเกิดจเจริญนิพพานาได้จริงแต่ว่าจะเกิดปัญญาได้นะต้องอาศัยสตินัะนะ่นและ สติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาแลถ้ามีปัญญาถึงระดับนี้นะเห็นายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจจะค่อยๆกลความหลงผิดออกไป เบื้องต้นก็หมดความหลงผิดว่า ก, กายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเบื้องปลายกงหมดความยึดถือไม่ยึดถือแล้วถ้าไม่หลงผิดว่า ก, กายนี้ใจนี้เป็นของดีของพิเศษเบื้องต้นก็เห็นเลมันเกิดแล้วมันดับสภาวะทั้งหลายเนี่ยเกิดแล้วดับอันี้เรื่องเรารู้ด้วยปัญญานะว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นได้ก็ดับไปแล้วก็ปัญญาเบื้องปลายจะเห็นเลยสิ่งที่เกิด น, นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไป ถ้าเห็นด้วยปัญญาอันยอดคือปัญญาเห็นทุกข์นะเห็นแจ้งอริยสัจการรู้แจ้งอริยสัจนี่เป็นจุดสูงสุดที่พวกเราชาวพุทธต้องพัฒนาตัวเองไปทําความรู้แจ้งให้ถึงให้ได้สักวันหนึ่งข้างหน้าตราบใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจเรายัางจะต้องเวียนว่ายตายเกิดแช่ทุกข์แล้วทุกข์อีกในโลกนะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าวัตสงสารวัตตะนี่น่ากลัวจริงๆ อย่างผู้ร้ายนะฆ่าเราได้แล้วฆ่าเราได้ครั้งเดียวแต่วัฏฏะเนะี่ยฆ่าเราฆ่าแล้วฆ่าอีกตายแล้วตายอีกไม่รู้จักจบจักสิ้นโหดร้ายทารดณที่สุดลูกคราวที่เราเกิดมาเราก็ต้องถูกฆ่าตายทุกทีเลยเนี่ยเราจะต้องฟันฝ่าวัฏฏะที่ออกไปให้ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเนี่ยปัญญาเห็นแจ้งอริยสัจแต่ก่อนจะไปเห็นแจ้งอริยสัจนะอันแรกเลยมาฝึกให้มันมีสติสักก่อน ถ้ามีสติมีท้าสีมีสติจะมีสมาธิมีสติจะมีปัญญาใช่ไหมต้องเป็นสติถูกต้องสติรู้กายสติรู้ใจสตินั้นเป็นธรรมชาติที่เรารียรู้รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจในใจสติพอเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตเวลาจิตใจพอเรามีความชั่วอยู่เนี่ยพอสติเกิดทันทีที่สติเกิดน กิเลสทั้งหลายความชั่วทั้งหลายในใจสับอัตโนมัติเลยเพราะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วว่าสติกับกิเลสเกิดร่วมกันไม่ได้เลยเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อใดมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินะพอกิเลสเกิดสติะระลึกรู้กิเลสก็ดับเรียว่ากิเลสสตินะั้นมันทำหน้าที่คุ้มครองใจของเราไม่ให้ตกเป็นทาตของกิเลสนะสตินะั้นอยู่ๆมันไม่เกิดหรอก สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้เมบางทีเราก็ติดป้ายไว้ข้างถนนนั่นบอกให้มีสติขับรถให้มีสติทีก็ดื่มสุราทําให้ขาดสติอย่างกัาว่าไม่ดื่มสุราแล้วจะมีสติไม่ดื่มสุราก็ไม่มีสติคนละเรื่องกันเลยสติได้เกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเพราะสตินี้เป็นสติปัฏฐานเนยสติรู้กายสติรู้ใจถ้าเรา จำสภาวะของรูปธรรมนามธรรม ท, ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ไม่แม่นยำนะเวลาอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสติมันก็ไม่ระลึกมันไม่เกิดสติขึ้นมาเราจำความรู้สึกทางใจได้ไม่แม่นยำเวลาอะไรเกิดขึ้นในใจนะสติมก็ไม่เกิดขึ้นมาหน้าที่ของเรานะมาฝึกหักรู้สภาวะบ่อยๆนะเช่นเรานั่งหายใจนะหายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดู ฝึกเรื่อๆหรือเรื่องร่างกายเคลื่อนไหวขยับไม้ขยับมือร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูอาจรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆในบางคนเราเริ่มมาจากร่างกายก็ได้บางคนจะไปเริ่มที่จิตก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าร่างกายเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวการู้สึกแล้วต่อไปเวลาเราเพลอเอ ใจลอยไปนะเราเกิดขยับตัวขึ้นมานิดเดียวนะสติจะเกิดเองเลยจะเราลึกขึ้นได้ถึงร่างกายเวลาที่เราใจลอยไปนะเรามีร่างกายร่างกายก็หายไปไม่มีหรือก็ไม่มีร่างกายเวลามื่อมใจลอยนะมีร่างกายก็เหมือนร่างกายไม่มีมีจิตใจก็เหมือนไม่มีใจจะสุขใจจะทุกข์ใจจะดีใจชัว่วก็ไม่รู้สึกเลย น, ะนั้นถ้าเมไร ร่างกายเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกต่อมาเวลาเราเผลอๆ เ, เราเกิดขยับตัวโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยมันจะเกิดสติระลึกรู้ถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวโดยไม่ได้เจตนาสมัยหนึ่งนานมาแล้วนะเกือบเกือบสาสิปนะีแล้วหดังจากที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลท่านรับรองแล้วว่าหลวงพ่อภาวนาเป็นถูกต้องตามที่ท่านสอนนะวันหนึ่งก็ได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อเพียน วัสนามในก็เยเข้าไปดูท่านนะไปกราบท่านท่านกำลังสอนคาวาสอยู่กลุ่มหนึ่งสาลาท่านไม่โตนะเห็นสาลาไม้แคบๆยาวๆท่านสอนท่านขยับมือแล้วท่านรู้สึกให้ขยับแล้วท่านรู้สึกให้ท่านฝึกให้มีสติดูๆนะญาติโยมที่ไปเรียนกับท่านนะพวกหนึ่งก็ขยับแล้วก็ไปเพ่งใส่มือนะจ้องไว้นิ่งไม่ให้ขยับไม่ให้จิตเคลื่อนในเพ่งเสียดมากเลย อีกพวกหนึ่งก็นั่งคิดว่าท่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปท่าไหนอ่อท่านี้แล้วเดี๋ยวไปท่าไหนอีกพวกคิดเอาพวกหนึ่งเพ่งเงาพวกหนึ่งคิดเอาอีกพวกหนึ่งขยับเก่งมากเลยขยับสวยนะในใจหนีออกไปนอกวัดละเนื่องอย่างนี้เรียกว่าขยับส่งเดชขยับแล้วเพ่งก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามัได้เครียดขยับแล้วหนีไปคิดขยับแล้วคิดเรื่องไม้เรื่องมือนะไม่ได้สติหรอกต้าขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึก หลวงพ่อไปเห็นหลวงพระเทียนโอหลวงพ่อเทียนท่านภาวนาดีไม่ได้เข้าไปคุยกับท่านนะท่านกําลังสอนโยมอยู่หลวงพ่อไปนั่งใต้ต้นไม้ไปขยับบ้างขยับสองมือนะมีจังหวัดขยับไปขยับมาลาคันนิสัยหลวงพ่อเป็นพวกโทรสาริตโทรสาริตรวดเร็วรุนแรงเอ็น น, นี้ตั้ง ส, สิจังหวัดยากลาคัญเอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ได้ขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้ทันขยับ กลับมาบ้านนะมีพักอันหนึ่งมานั่งพักเสินไหวแต่เรารู้สึกไม่สบายกว่าถ้าสิบสี่ขั้นตอนอยู่ที่จริตนะพวกบางคนขยับแค่ใ น, ในี้ใจหนีไปไหนนะหนีไปกอรโลกแล้วแล้วนะนะนะนะบางคนขั้นตอนมากขั้อหุดหงิพวกตัวสาจริตจะลำคามเราต้องเอาอะไรที่เรียบง่ายที่สบายๆที่เราพ่อขยับอยู่วันสองวันนะวันหนึ่ง ไม่ขัดหยาบอยู่ไม่นานหรอไม่เกินอาทิตย์สองสามวันก็วันนึ่เห็นเพื่อนไม่เจอกันตั้งนานหลายปีแล้วมันเดินอยู่อีกฝั่งถนนนึ่งพอเห็นเพื่อนก็ดีใจไม่เจอนานแล้วก็ดีใจปุ๊บเนี่ยลืมตัวเองเลยมีร่างกายก็ลืมนะมีจิตใจก็ลืมเพป็นแต่เพื่อนจะข้ามถนนไปคุยกับมันนะก้าวเท้าอะไรจะข้ามถนนหันซ้ายหันขวาไม่มีรถนะก้าวขาไปพอเท้าเคลื่อนที่นั่นอง เท้าเท้าขยับนะเท้าเค้าเื่อนที่เนี่ยมัเห็นรูปเคลื่อนไหวสติเกิดเองเลยเกิดเรารึกขึ้นได้ว่าขาสติอยู่นะลืมเนื้อลืมตัวอยู่เนื่อสติเกิดจะจิตจำสภาวะได้แม่นนะหรือคนไหนนะไม่ถนัดที่จะฝึกสติด้วยการรู้สึกตายก็มาฝึกสติด้วยการรู้สึกทางจิตใจก็ได้คนไหนชีวิตมีความสุขมากก็คอยรู้ทันความสุขที่เกิดในชีวิต เดี <ne> ๋ยวก็มีความสุขโผล่ขึ้นมาเรารู้ทันเดี๋ยวความสุขก็หายไปเดี๋ยวรบชักวทักหนึ่งความสุขก็โผล่ขึ้นมาอีกเราก็รู้อีกแล้วความสุขก็หายไปนี่เราใครรู้น่าจะจิตนั้นมันชำนิชำนาญในการรู้ทันความรู้สึกต่อมาเกิดความสุขอะไรผุดขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะรู้เลยมันรู้ได้เองตรงที่รู้ได้เองโดยไม่เจตนาจะรู้เรียกว่ามีสตินะ้วเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวโดยไม่ได้เจตนาจะเคลื่อนไหวนี่เรียกว่ามีสติแล้ อยู่ๆไม่มีนะต้องฝึกแล้วสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้อ้อนวอนให้เกิดไม่ได้นะจุดทูบจุดเทียนอัญเชิญให้เกิดก็ไม่ได้นะไม่มีทางเลยมันต้องฝึกเอาก็ค่อยๆฝึกเอานะฝึกจากรยานก็ได้รู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ร่างกายหยุดนิ่งร่างกายอยู่ในอริยบทอะไรล้วนไปเรื่อยเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายเม้มปากนะมันคันขึ้นมาเห็นร่างกายมันเกาที่เราค่อยรู้สึกอย่างนี้ได้ได่อยๆ ต่อไปเวลาเราเผลอๆแล้วพอเราขยับปุ๊บนะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลิกเลยคำว่าใจลอยมีสติอยู่บนเนื้อต่ตัวขึ้นมาทันทีเลยหากดูจิตดูใจก็ได้ะจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้นะหรือคนไหนที่โมโหก็อเอาความโมโหนั่นแหละมาเป็นเครื่องหัดจิตโกรธ ข, ขึ้นมาทีหนึ่งหงุดหงิดขึ้นมาทีนึงรู้ทันว่างหงุดหงิดแล้วนะแรกๆ ก, ก็ต้องจงใจหน่อยๆคอยสังเกตมันนะ หักใส่เจตไปเรื่อยจิตมันงุดหยิดขึ้นมารู้ทันรู้สักพักหนึ่งมันก็หายจิตบางคนมันขี้โลคเจออะไรมันก็ชอบไปหมดเลยอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะอยากได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอยากมากนะเห็นขี้หมาอย่างอยากได้เอาไปทําปุ๋ยอะไเนี่ยใจมันมีแต่ความอยากถ้าใจความอยากเกิดแล้วเรามีสติรู้ทันต่อไปเวลาเราไม่ได้เจตนาจะรู้นะมีความอยากเกิดขึ้นมานะ ไม่ on, จะรู้สึกตัวขึ้นมาเสติจะระลึกได้เองเลยเนื่ยวิธีฝึกให้มีสตินะคือหัดรู้สภาวะบ่อยๆหัดรู้รูปธรรมบ่อยๆอย่าใจลอยหัดร <ší> i mean, ู to ้นามธรรมบ่อยๆอย่าเอาแต่ใจลอยไปรู้สึกบ่อยๆนะเพืจะได้สติขึ้นมาสติปัฏฐานนั้นมันมีสองขั้นขั้นแรกฝึกให้มีสตินะคือทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ย เคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวนี่ทำสติปัฏฐานโดยการใช้กายนะต่อไปพอต่างกายเคลื่อนไหวปุจะรู้สึกตัวเองโดยไม่ได้เจตนารู้สึกหรือใช้เวทนาก็ได้นะใช้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์สุขขึ้นมารู้ทันทุกข์ขึ้นมารู้ทันเฉยๆขึ้นมารู้ทันต่อไปพอมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรแปลกปลอมขึ้นในใจนะสติระลึกได้เองรู้สึกตัวขึ้นมาเลย ใช้จิตเปวิหารธรรมก็ได้จิตมีความโลภ ร, ร, รู้ว่าโลภจิตหายโลภแล้วรู้ว่าหายจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตเลิกโกรธแล้วรู้ว่าเลิกโกรธไปแล้วในสติปัฏฐานพวกเราไปหาอ่านเอานะท่านสอนเราไว้แ ย, แย่ๆเลยอย่างสอนจิตตาลูกปัสสาวะอานีานะดูพระพิสูจทั้งหลายจิตมีราค้าให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคามนตะ์พระเจ้าสอนง่ายๆอย่างนี้เองถ้าเราทําตูวทำสุขเป้านะสตรีมก็เกิด นิดนิดลาฝึกนะสุดทั้งในรูปแบบทั้งสุดในชีวิตประจำวันฝึกในรูปแบบเมื่อถึงเวลาต้องแบ่งเวลาไว้เลยวันหนึ่งสักสินาที15นาทีเบื้องต้นอย่าแบ่งเวลาเยอะบางคนศรัทธาแก่กล้าได้ยินหลวงพ่อบอกให้ฝึกสติตั้งใจในทุกวันจะต้องฝึกในรูปแบบสามชั่วโมงวันแรกสามชั่วโมงวันที่สองสองชั่วโมงวันที่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงวัน วันเดือนที่สามมันหนึ่งชั่วโมงอนะไรเงี้ยสุดท้ายวันที่สี่เลิกไปเลยถนะามทำไมเลิกเนะีก็ของมันไม่เที่ยงนะ <c oughs> อ้างธรรมะไปสุดยอนเลขี้เกียจตัวสิ <c oughs> เริ่มต้อนอย่าไปทำอะไรที่หหดร้ายทารืนกับตัวเองเดกเครียดเกินไปเอาสิบนาทีสิบห้านาทีก็บุญ น, นักหมาแล้วแต่ทำให้ได้ทุกวันไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็ทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งถนัดรู้ลมหายใจก็หายใจไป มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าถนัดความเคลื่อนไหวว่าขยับไม้ขยับมือไปหรือเดินจงกรงไปกนะ้าวไปก็รู้สึกตัวหยุดนิ่งก็รู้สึกตัวหมุนตัวกลับแล้วก็รู้สึกตัวเดินใหม่อีกแล้วก็รู้สึกตัวนะคอยรู้สึกไปเรื่อนะหารู้สึกเรื่อยๆนะต่อไปจะรู้สึกได้เอ ง, องสติอัตโนมัติมันเกิดต้องฝึกนะและตัวเนี้สําคัญเป็นพื้นฐานสําคัญ แล้วถัดจากนั้นก็มาฝึกในชีวิตประจําวันฝึกในรูปแบบแล้วก็ต้องมาทดลองดูว่าลงสนามจริงมันจะได้เรื่องจริงไหมฝึกนึกว่าเจ๋งนึกว่าเจ๋งนะเคยมีนะสมัยหลวงพ่อเพ็นโยมมีกล้ารู้จักกันเั้่ท่านไปภานาเข้าพรรษานี่แหละไปอยู่ในป่านะตั้งสัจจะไม่พูดกับใครไม่มองใครอะไรนะอยู่ลำบากมากเลยเออกพรรษานั้นท่านมาทดสอบในการเข้ามาในกรุงเทพ ท่าบอกตันอยู่ในพรรษาท่านภาวนานะใจท่านนิ่งสงบสบายมากเลยพอเข้ามากรุงเทพมาทดสอบตัวเองนะมนไม่กี่วันเลยกระเจิงเลยสาวๆมันสวยวัวกว่าป่ายในป่าเยอะเลยนะทนไม่ได้เนะเียกต้องทดสอบนะเมื่อฝึกในรูปแบบแล้ว น, นะมาลงสนามจริงลงสนามจริงๆเรา น, นนะตามองเห็นรูปลืมตัวหรือรู้สึกตัวหูได้ยินเสียงนะลืมตัวหรือรู้สึกตัวนะ ใจมันหนที่คิดลืมตัวไหมถ้ารู้ทันว่ามันลืมตัวไปน้ำพี่จะรู้สึกตัวขึ้นมานะคอยอยู่ในชีวิตธรรมดานี้ยแหละเราจะรู้สึกเลยว่าใจเราลอยตลอดเวลาใจลอยก็คือขาดสตินั่นแหละ เ, ลเดี๋ยวก็ลอยไปดูลอยไปทางตาไปดูคนอื่นลืมตัวเองเดี๋ยวก็ไปฟังนะฟังข่าวฟังอะไรรู้แต่ข่าวนะั้นนายกไปทําอะไรรู้หมดเลยแต่ตัวเองกําลังเกาลูกคางอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้หรอกนะลืมตัวเอง จะหมกได้กลิ่นนะลืมตัวเองลินได้รสก็ลืมตัวเอ ง, เองบางคนจะไดเอดตั้งใจจะไดเอดใครเคยเป็นไหมจะลถน้าหนักอะไรเงี้ยนะคุมอาหารตั้งใจนะเห็นอาหารเนี่ยคอยพิจารณาเลยนะอาหารไม่กินไปเพื่อดำรงชีวิตอยู่บาบัดความทุกข์หิวโหยนะแล้วก็เริ่มกินนะไปรู้สึกตัวอีกทีเมื่อจานที่สามหมดไปแล้ว อย่นี้สติมันไม่เกิดนะมันตะกล้าเพื่อเกิดขึ้นแทนนะต้องฝึกนะเนี่ยเรามาฝึกในรูปแบบก่อนแล้วก็มาลงสนามจริงดูซิสติจะเกิดหรือเปล่าหรือมันจะลืมตัวเองตลอดเวลามีสติก็คือรู้สึกกายรู้สึกใจได้นะครรู้สึกกายก็รู้สึกใจของตัวเองเรื่อยๆถ้ามื่อไหน่ใจลอยไปใจเหม่อไปใจฟุ้งไปนะก็ลืมกายลืมใจนั่นเรียกว่าขาดสติอย่างไร้แรง นี่จากมีสติอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่สบายขึ้นเยอนะลนะคนในโลกนี่นไม่มีสติหรอกมีแต่คนหลงหลงก็ตกเป็นเหยื่อนะเห็นป้ายโฆษณาก็อยากได้แนละ้วเห็นอะไรก็อยากได้ไป็นหมดเลยนะบางคนไปซื้ออะไรต่ออะไรมาเต็มบ้านเลยแล้วก็ไม่เคยใช้เลยจะซื้อมาเก็บไว้เผื่อวันหน้าจะใช้ตาวเดี๋ยวก็ตกรุ่นแล้วไม่ได้ใช้อยู่ดีนะเลือกใจไม่ได้ทันมาฝึกนะฝึกให้จิตใจมันรู้เท่าทัน ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปอะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้อะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ก็มีชีวิตแบบคนที่รู้สึกตัวไม่ถูกใครเขาหลอกเอาง่ายๆก็อเอากิเลสมาหลอกเราให้ซื้อนอนซื้อนี่อะไรเงี้นะพอมาฝึกสติแล้วนะต่อไปถ้ า, ามาพัฒนาต่อไปฝึกสติยังไงจะเกิดศีลฝึกสติยังไงจะได้สมาธิฝึกสติยังไงจะเกิดปัญญา มีสติแล้วมีเครื่องมือสำคัญแล้วก็ต้องมาพัฒนาจิตใจของเราด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศีนน้าเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ทำตามกิเลสข่มใจของเรากิเลสมันมีอำนาจมากนะเราต้องคอยข่มใจของเราอย่าไปทำตามมันโกรธความโกรธเกิดขึ้นมานะก็ต้องคอยห้ามใจอย่าไปต่อยเขาอย่าไปตีเขาอย่าไปตบเขาอย่าไปวนเขาอย่าไปกัดเขานะ บางคนนะปากกัดตีนถีบก็กัดจริงๆเลยนะถีบไปกัดไปนะเนี่ยโทสะมันเกิดหรือเจออะไรก็โลภไปหมดเลยนะอยากหยิบของคนอื่นอยากเป็นจีบคนอื่นอยากเห็นเมียคนอื่นก็อยากได้แล้วอยากไปหมดเลยนะนี่ศีลมันไม่มีเพราะว่าใจมันถูกกิเลสครอบงำนะต้องขมใจอย่านะอย่านะอย่านะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาคอยเตือนตัวเอง พอตื่นนอนขึ้นมาก็เตือนตัวเองเลยว่าวันนี้เราจะตั้งใจรักษาศีลนะก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจอีกรอบหนึ่งวันนี้เราจะรักษาศีลเพื่อกินข้าวกลางวันแล้วมันสำลักติดคอตายจะได้ตายแบบมีศีลกลางคืนก่อนจะนอนตั้งใจอีกจะรักษาศีล น, นะเพื่อนอนแล้วไม่ตื่นนะตายไปเฉลยจะได้ตายอย่างมีศีลค่อยเตือนตัวเองเรื่อยๆมาหลาย ๆ, ๆรอบนะว่าเราจะรักษาศีลไม่ใช่ต้องรอให้เจอพระแล้วมาขอศีลนะ ศีลที่ขอไม่ได้เรื่องหรอกศีลจริงๆก็คือเจตนาที่จะงดเว้นการทาบาปอาคูสนหอย่างนั่นแหละเป็นการทาบาปกรรมอาคูสนทางกายทางวาจาห้านะประการตั้งใจงดเว้นเอาการที่เราต้องไปบอกกับพระนะัเหมือนกับการปฏิญาณตัวเท่านั้นเองไปบอกกับพระว่าหนูจะถือศีลห้าอยากถือศีลห้านะจะรับศีลห้าไปเวลาจะทําผิดศีลจะได้ละอายใจเพราะไปบอกเขาไว้แล้วไปบอกพระไว้แล้วนะ แต่ถ้าโกหกเก่งนะเจอพระบอกบอกว่าจะรับนะรับเสร็จแล้วก็โกหกไม่รับจริงอะไรเงี้ยไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ต้องอยู่ที่ความตั้งใจของเราถึงไม่เจอพระเลยนะไม่ต้องไปขอที่ใครตั้งใจเอาเองตื่นนอนขึ้นมาตั้งใจรักษาศีล5กลางวันตั้งใจรักษาศีล5กลาคงคืนตั้งใจรักษาศีลห้าตั้งใจไปเรื่อยตรงนี้ยังไม่เกี่ยวกับสติเท่าไหร่หรอรักษายากรักษาศีลด้วยการข่มใจไหมเนี่ยรักษายากมากเลย แต่ถ้าเราเคยมีสติมาแล้วนะเราฝึกสติมาแล้วแล้ว เ, เอาสติมาช่วยรักษาศีลการรักษาศีลจะแสนง่ายนะศีลคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําจิตความโกรธเกิดขึ้นก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาอะไรเนี้ยไปหลอกลวงเขานะแกล้งยอมมาให้เสียผู้เสียคนไปเลยก็ได้กเกลียดเขานะทําได้หลายแบบ ความโลภความรักเกิดขึ้นนะก็ไปต้อนไปฆ่าเขาก็ได้นะทำร้ายเขาก็ได้ขโมยเขาก็ได้เป็นชู้เขาก็ได้ติ้นปล้่นหลอกลวงเขาก็ได้เห็นไหมกิเลสแต่ละตัวนะทำให้เราผิดศีลห้าได้ทั้งหมดอนะ่ะลุ่มใจขึ้นมนก็ไปกินเหล้ารุ่มใจก็เป็นโทสะนะดีใจก็ต้องกินเหล้าโอ้ไม่รู้มันกินเพราะอะไรนะดีใจมันก็กิกนเสียใจมันก็กินหรือมีรัก่าเขาก็กินเหล้าโทสะเขาก็กินเหล้าเนีนกิเลสมันพากินตลอดนะไม่มีกิเลสไม่อยากกินหรอก นี่ถ้าเราจะฝึกร paper, ักษาศีลแบบง่ายนะให้เราคอยรู้ทันคอยรู้ทันใจของเราไว้นะถ้าใจของเรามีความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันใจของเรามีความโลภเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันการที่เรามีฝึกสติบ่อยๆนะคอยฝึกมาจนกระทั่งเรามารู้ทันความรู้สึกของเราให้ได้ใจมันโกรธขึ้นมาอย่าไปว่ามันก็แค่รู้ว่ามันกำลังโกรธอยู่ทันทีที่เรารู้ว่าใจโกรธนะความโกรธมันจะดับอัตโนมัตินะ เพราะว่าสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเองไม่ต้องไปหาทางดับมันหรอกทันทีที่รู้ว่าโลภความโลภ ก, ก็ดับอัตโนมัติพอจิตไม่โลภไม่โกรธนะจิตก็ไม่ทําผิดศีลหรอกจิตก็ไม่ได้อยากจะทําผิดศีลการรักษาศีลจะรักษาง่ายถ้าเรารักษาที่จิตถ้าเรามีสติรักษาจิตนะการรักษาศีลจะทำได้ง่ายเลยจิตจะไม่ถูกกิเลสลากออกไปนะ นี่เป็นวิธีนะเป็นวิธีเรามีสติแล้วเราก็คอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตบ่อยๆแล้วจะได้ได้สีนัตโนมัติขึ้นมาเราจะมีชีวิตที่บ๊บโปร่งเบามีความสุขขึ้นมากเลยนะต่อไปเราก็มาฝึอกอกีกฝึกมีสติยังไงให้เกิดสมาธิสมาธิมี2ชนิดสมาธิที่1จิตเป็นสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้ใช้ทําสมถกรรมฐาน สมาธิส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันนะ่งคือสมาธิสงบเท่านั้นแหละไม่ใช่สมาธิที่จิตตั้งมั่นที่จะเอาไว้ทำํำวิปัสสนากรรมฐานส่วนใหญ่นะคนจะรู้จักแต่สมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวถ้าเราอยากให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวไม่ยากเลยนะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตได้เช่นจิตมีความรักใคร่ผูกพันใครสักคนนอะจิตเกิดความรู้สึกรักใคร่คิดไปถึงเขาด้วยความรักนะรู้ทันใจที่มันคิดไปด้วยความรักเนี่ย ตัวนี้มันจะขาดนะตัวกรรมะันทะเนี่ยความพอใจในอารมณ์นี่จะขาดไปจิตจะสงบเองหรือถ้ามันฟุ้งไปมันคิดไปนะคิดไปในทางพยาบาทเบียดเบียดคนอื่นจิตก็ฟุ้งซ่านถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตกำลังคิดพยาบาทเขาอยู่ความพยาบาทดับจิตก็สงบนะคิดไปมากๆเกิดลังเลสงสัยนะคิดไปแล้วกรรมาฐานทำยังไงนะ คิดไปคิดไปหาคําตอบได้ทําอย่างนี้เดี๋ยวก็หาเรื่องคิดใหม่ก็งสงสัยใหม่มีสติรู้ทันว่าจิตมันสงสัยนะความสงสัยมันก็ดับไปจิตก็มีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านไปนะจิตหดหูก็เหมือนกันนะคิดเรื่องนี้แล้วมันหดหูขึ้นมารู้ทันว่ามันหดหูนะจิตที่หดหูก็จะดับไปก็เกิดจิตที่มีสมาธิขึ้นมาเนี่ยวิธีฝึกจิตให้เกิดสมาธิแบบง่ายๆนะใช้สติรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์เป็นกิเลสระดับกลางมันมีห้าตัวนะ กามาชันท่านิวร์พยาบาทพยาปาทะพยาบาทนิวรณอุทธัจจะความฟุ้งซ่านกุกขุ จ, จักอุทธัจจะฟุ้งซ่านกุกข จ, จักลำคัญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยทีนมิทะความเสื่องซึมของจิตใจของกายข อ, ของจิตของเจตสิกเส่งซึมถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ดับนิวรณ์ดับเมื่อไหร่สมาธิเกิดเมื่อนั้นเพราะนิวนรณ์นั่นแหละเป็นตัวกั้นไม่ให้จิตมีสมาธิ ขวางสมาธิอยู่นี่เป็นวิธีทําให้เกิดสมาธิแบบรัดๆนะสําหรับคนดูจิตแล้วสมาธิจะเกิดง่ายๆเลยถ้ารู้ทันเข้ามาจิตมีกิเลสมีนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ทันนิวรณ์ดับสมาธิเกิดเลยง่ายกว่าการไปทํากําหนดจิตไว้ในอารมณ์มันเดียวคนรุ่นเราเนี่ยกําหนดจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวยากจิตมันชอบหนีเีย่ยไปอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจนะแป๊บเดียวก็หนีไปที่อื่นแนละ้วแล้วก็ขี้เกียจเลยขี้เกียจทำนะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตได้ชํานาญนะ นิวรณใดๆเกิดรู้ทันปุ้มดับเลยนะอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้นะอยู่ในสามัญญผลสูตรสอนพระเจ้าชาติศัตรูไว้เรามีสติรู้เท่าทันนิวรณมันจะดับจิตจะมีสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัตนี่สมาธิชนิดที่หนึ่งสมาธิสงบสมาธิชนิดที่สองสมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิสงบใช้ทำสมาเอาไว้พักผ่อนหรือเอาไว้ทางานทางโลก สมาธิชนิดที่สองที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้ทํำนิพพสนากรรมฐานและเป็นสมาธิที่ดเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคเป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่เกิดอริยผลเป็นสมาธิที่พระอริยะบุคคลใช้ในเวลาเข้าพละสสมบัติเนี่ป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นทั้งสิ้นเลยสมาธิชนิดนี้เข้าฌานหนึ่งสองสาห้าหกเดก็ได้เช่นเดียวกับสมาธิสงบ สมาธิสงบนะจิตไปอยู่กับลมหายใจลมหายใจหายเป็นแสงสว่างจิตไปอยู่กับแสงสว่างนะเข้าฌานหนึ่งสองาสี่ได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นก็เข้าฌานได้เหมือนกันแต่ว่าจิตไม่ได้ไปส่งไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูต้องฝึกสมาธิชนิดนี้อาภัพที่สุดเลยนะคนไม่ค่อยรู้จักหรอกนะถ้าพวกเราอ่านพุทธประวัตินะตอนพระพุทธเจ้ายังเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอายุสามขวบไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ ไต้ต้นว่านะแล้วก็นั่งภาวนาหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะจิตท่านได้ปฐมฌานจะปฐมฌานอันนี้เป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต่อมาพอท่านจะไปบวช อ, อายุยี่สิบเกออกบวชคือสมาธิเดิมที่เคยฝึกมาแต่ก่อนเนี่ยนะมาเตือนท่านให้ฝึกสมาธิช น, นิดที่จิตตื่นเมื่อตอนอายุสามขวบแล้วท่านก็ลืมไป พออายุยีิบเ้าออกไปบวชก็เหมือนพวกเราทั้งหลายแหละเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่คิดที่จะทําก็คือไปนั่งสมาธิท่านไปเรียนจา ก, กหลวงฤาษีเข้าฌาน8ดได้แล้วท่านพบว่าไม่ใช่ทางนีไม่ล้างกิเลสท่านออกมาทรมานตัวเองนะก็ไม่สําเร็จทั้ง6ปีสุดท้ายท่านก็มาระลึกถึงทางสายกลางได้สมาธิเดิมที่ท่านเคยฝึกมาแล้วแต่ชาติก่อนๆที่มันเคยโผล่มาตอนเด็กๆท่านทําสมาธินะรู้สึกตัวนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวอย่างจิต เข้าถึงชา้นที่4นะถัดจากนั้นเนี่ยท่านก็ออกมาเดินปัญญามาพิจารณารูปธรรมนามธรรมกระบวนการทํางานของจิตใจนะที่จะปรุงความทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่าปฏิจจสมุ ป, ปบาทเนี่ยสมาธิชนิดเนี่ยเป็นสมาธิที่สําคัญมากนะไปเข้าฌานได้เฉยๆสงบนิ่งสบายอยู่เฉยๆไม่ใช่ทางนะต้วเป็นสมาธิที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกระตัวจิตหลุดออกจากโลกของความคิด สมาธิอย่างนี้ต้องฝึกนะเป็นของหายากที่สุดเลยเมื่อสามสิบปีก่อนนะหาสักคนหนึ่งยังหายากเลยนะแต่ละแห่งแต่ละแห่งที่ภาวนากันนะหาคนหนึ่งก็หายากแต่เดี๋ยวนี้มีเยอะนะหพ่อเทศไปเรื่อยๆนะคนเริ่มมหักสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเยอะแยะเลยวิธีฝึกนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาสักก่อนจะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้จะดูท้องผองยุบก็ได้ จะขยับมืออย่างโลงพระเทียนก็ได้อะไรก็ได้เดินจงกลมก็ได้แต่ไม่ได้ทําเพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ได้ให้จิตไปอยู่กับพุทโธไม่ได้ให้จิตเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ให้จิตไปไหลไปอยู่ที่ท้องไปอยู่ที่เท้าไปอยู่ที่มือเอาแค่ว่าทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปเพ่งรู้ทันจิตมันเคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องรู้ทัน ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติตัวนี้ตัวสําคัญมากนะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเราตื่นขึ้นไปอย่างแท้จริงคนในโลกเนี่ยตื่นแต่ร่างกายแต่จิตใจไม่ตื่นมันหลับมันฝันตลอดวันตลอดคืนนะคิดต้นคิดนี่ลืมเนะื้อลืมตัวเหมือนคนไม่มีร่างกายไม่มีจิตใจนะ้ําลืมตัวเองไปหมดนะมันก็คือหลับฝันไปนั่นเองทงั้งทั้งที่ลืมตาตื่น เราต้องให้ตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจให้ได้นะร่างกายของเราขนาดนี้ตื่นแล้วแต่ใจของเราจะตื่นหรือไม่ถ้าเรารู้ทานใจที่ไหลไปคิดนะใจที่ไหลไปเพ่งใจที่ไหลไปคิดถ้าเรารู้ทันมันเคลื่อนไปปุ๊บใจจะตื่นขึ้นอัตโนมัติเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราไปอาศัยสติเพื่อให้เกิดปัญญาแต่โดยที่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้แหละ ตรงที่เราหายใจนะแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันอะไรเป็นตัวรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันนะรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันว่าจิตไปเพ่งลมหายใจแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปที่ท้องแล้วอาศัยสตินี่เองรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นสมาธิตัวนี้สำคัญสุดยอดเลยนะถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีทางได้เกิดมากเกิดผลเลยนะเพราะขณะที่เจริญวิปัสสนาต้องใช้สมาธิอย่างนี้ขณะที่ เ ก, กิอริยมรรคอริยผลต้องเป็นสมาธิชนิดนี้ต้องฝึกเพราะฉั้นเราคอยรู้ทันนะทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งมีอยู่แค่นั้นแหละถัดจากนั้นมาเดินปัญญาพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วนะอาศัยสติระลึกรู้กายอาศัยสติระลึกรู้ใจรู้ ร, รู้กายเวทนาจิตรำนั่นแหละโดยที่จิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดู เห็นร่างกายสติระลึกรู้ร่างกายจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเกิดความรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันมันจะแยกจากกันเด็ดขาดเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวไปจิตเป็นคนดูมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นคนละอันกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันระหว่างร่างกายกับจิตใจความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตใจที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนะ เราจะเห็นอีกว่ากิเลสทั้งหลายกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นโลภโกรดหลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่อยู่ต่างหากอีกเนี่ยค่อฝึกไปเรื่อยนะแล้วกระทั่งตัวจิตเองตัวจิตเองเอาอะไรไปรู้ก็เอาจิตไปรู้จิตนะจิตไปรู้จิตรู้ยังไงจิตเมื่อกี้นี้หลงไปจิตตัวนี้รู้ทันว่าจิตเมื่อกี้หลงไปจิตเมื่อกี้โลภจิตเดี๋ยวนี้รู้ทันว่าจิตตะกี้นี้โลภจิตเมื่อกี้โกรด จิตเดี๋ยวนี้รู้ว่าจิตตะกี้เนี่ยโกรธเนี่ยจะดูอย่างนี้นะดูตามหลังอย่างติดติดติดติดไปเรื่อยเขาเรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ติคือดูแบบฝิกกับปัจจุบันไปเลยนะเนี่ยเราจะค่อยๆฝึก อ, อย่างนี้นะใจของเราเป็นแค่คนดูอยู่ใจเราเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูความสุขความสู้เป็นของถูกรู้ถูกดูความโลภความโกรธความหลงเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตเป็นของถูกรู้ถูกดูสิ่งใดถูกรู้สึ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอก ค่อยๆหัดสังเกตเข้าไปแล้วทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้สติระลึกในจิต ท, ที่ตั้งมั่นเนี่ยทุกสิ่งนั่นแหละเกิดได้ก็ดับได้นะอย่างร่างกายเกิดขึ้นมานะหายใจร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็หายไปร่างกายหายใจเข้าเกิดแนะล้วก็หายไปร่นางกายยืนร่างกายเดินร่างกาย น, านั่งร่างกายนอนนะอยู่ช่วขนาดช่วงขะนาดนแล้วร่างกายชนิดนั้นก็หายเปลี่ยนเป็นร่างกายอย่างอื่นไปเนี่ยค่อยรู้สึกนะความสุขความทุกข์ก็ของชั่วคราว กุศลอ้ะกุศลก็ของชั่วคราวจิตก็ของชั่วคราวเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูลงมาเห็นแต่ของชั่วคราวไปหมดนะหรือดูให้เห็นว่าเป็นทุกข์ก็ได้ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาหายใจเข้าออทุกข์หายใจออกก็ทุกข์แล้วนะลองหายใจเข้านา น, านๆเดี๋ยวก็รู้ว่าทุกข์ยังไงลองหายใจออกนานๆเดี๋ยวก็รู้ว่าทุกข์ยังไงนะนั่งนานๆเดี๋ยวก็ทุกข์ให้ดูละนะ เนี่ยเฝ้ารู้ลงไปร่างกายมีแต่ตัวทุกข์จิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงจิตใจมีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้ดีมันไม่ยอมดีห้ามชั่วมันก็จะชั่วนะสั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมสุขห้ามทุกข์มันก็ยังชอบทุกข์สั่งมันว่าอย่าไปคิดเลยเรื่องนี้เวลาอกหักใครเคยอกหักคอยเพื่อนอย่ามาบอกอย่าไปคิดถึงเลยลืมไปเถอะไอ้คนคนนี้พูดได้นะแต่มันลืมไม่ได้นะก็จิตมันจะเป็นอนัตตาเห็นไหมเราจะดูของจริงนะบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปได้เอง จิตจะคิดห้ามันได้ที่ไหนลนะ่ะในการที่เรามาคอยดูกายคอยดูใจเรื่อยๆนะมีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูก็จะเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเข้าใจแก่รอบแล้วนะอริยมรรคจะเกิดตรงอริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตรวมลงที่จิตเพราะเราต้องฝึกสมาธิที่จิตอยู่ที่จิตเรื่อยๆนะ จะฝึกตอนที่ทำนิพพานะเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตรวมลงที่จิตไม่ไปรวมอยู่ที่ลมหายใจไม่ไปรวมอยู่ที่ท้องที่เท้าที่มืออะไรทั้งสิ้นนะจิตต้องตั้งอยู่ที่จิตเมื่อจิตรวมลงที่จิตแล้วสัมมาสมาธิหรือสมาธิที่ดีที่งามตัวเนี้ยจะเหมือนเป็นเป็นภาชนะนะเป็นที่รองรับองค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือสมาธิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาทั้งหลายอีกเจ็ดตัวเนี่ยจะประชุมลงที่จิต รวมลงที่เดียวกันคือที่จิตรวมลงในขณะจิตเดียวกันนะลงที่เดียวกันในขณะเดียวกันมันถึงจะเกิดพลังงานงานอันมหาศาลนะที่จะทําลายกิเลสส่วนลึกในจิตใจของเราได้เพราะเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นเลยและสมาธิที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิที่สําคัญถ้าจิตอยู่ข้างนอกนะอริยมรรคไม่เกิดหรอกเกิดไม่ได้ถ้าจิตต้องรวมลงที่จิตให้ได้ แล้วเวลารวมลงนะในขณะที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าถึงฌานนะเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แ ต, แ ต, แต่แต่ละคนได้เข้าไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยต้องเข้าฌานที่หนึ่งนะต้องเข้าทุกคนนะ่ะเวลาจิตจะรวมลงไปนะตัดกิเลสบางคนรวมร่างกายยังมียังมีรูปอยู่บางคนเนี่ร่างกายหายไปโลกธาตุหายไปนะเหลือแต่น้ำก็รวมลงที่จิตอีกเหลือจิตดวงเดียวนะเราต้องฝึกนะ งันเบื้องต้นฝึกมีสติต้องฝึกสติทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหลงไปรู้สึกจิตเผลอไปรู้สึกนะเคลื่อนไหวเนี่ยคอยรู้สึกไว้ขยับไปแล้วคอยรู้สึกหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้าคอยรู้สึกไปเรื่อยก็จะได้มีสติขึ้นมาแล้วก็มาคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตใจคอยรูนะ้แปลกปลอกกิเลสแปลกปลอมเข้ามารู้ทันปุ กิเลนดับศีลเกิดแล้วนิวรณ์แตกปลอมข้ามานะสติะระลึกรู้ปับนิวรณ์ดับนะสมาธิชนิดสงบเกิดแล้วจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปคิดหลวงปู่ดูเลเรื่องจิตออกนอกสติะระลึกรู้ทานจิตที่เคลื่อนปับ๊บสมาธิชนิดตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วนะกนะารสมาธิตั้งมั่นแนละ้วก็เป็นคนดูครั้นี้ก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยไปนะหลวงพ่อสอนที่ไหนก็ต้องมาลงตรง มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี้แหละถ้าทำตัวนี้ได้นะเจ็ดวันเ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้อะไรบ้างควรจะได้อะไรบ้างโสดาสักถาคาอะไรไม่ใช่เหลือวิสัยที่คระวาดจะทำได้นะมันทำได้อยู่ที่ว่าศีล ส, สมาธิปัญญาของเราพอไหมศีล ส, สมาธิปัญญามีไม่ได้นะถ้าไม่มีสตินะพยายามดารงชีวิตอย่ามีสติ หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกไม่ใช่หายใจออกใจลอยหายใจเข้าใจลอยยืนใจลอยเดินใจลอยนั่งใจลอยนอนใจลอยสุขก็ใจลอยทุกข์ก็ใจลอยโกรธก็ใจลอยนะโลภก็ใจลอยมีแต่ใจลอยังไม่มีสตินะนั้นพยายามฝึกตัวเองเข้านี่สอนให้ตั้งแต่สตินะอย่างจนเกิดอริยมรรคล้สอนที่ไหต้องสอนอย่างนี้ทุกทีเล ไม่ว่าจะตั้งหัวข้อให้หลวงพ่อเทศเรื่องอะไร น, นะสุดท้ายก็เทศเรื่องนี้แหละเพราะรู้สึกว่าสำคัญมากเลยเอา้าวพวกเราใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญมีไหมจิสจะได้ไปเออขอโอกาสส่งกันบ้านครับคือผมฝึกดูเดี๋ยวหลวงพ่ออยากหาไม่เจอเอ๋อวมาผมฝึกดูจิตมาสองสามปีแล้วครับแล้วก็ที่ผ่านมาเห็นจิตที่หลงไปคิดชาคาับ แล้วหลังๆมานี้มันไม่ชัดแล้วแต่มันจะไปเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวชัดกว่าคี้เวลาทำไมการเคลื่อนไปไหลได้คิดไม่ชัดถ้าเราไปติดเท่งนะมันจะไม่เคลื่อนเมื่อางไปเห็นร่างกายแต่ถ้าเห็นร่างกายแล้วใจทื่อๆนะแสดงว่าจิตติดเท่งนะมันไม่ใช่ดูไปตามสบายบางทีมันเห็นกายแล้วแต่ว่าก็เห็นว่ามันเป็นคนละอันกับจิตครับเออถ้าอย่างนั้นได้นะ<ร>แล้วเห็นมันทางานไป อย่างนั้นแหะดีเหมือ น, นเห็นร่างกายเป็นส่วนเกินออกมาอย่างเงี้ยถูกต้องเหอครับ อ, อ, อย่างนั้นแหละจิตมันพัฒนาขึ้นสิอ๋อแล้วก็ฝึกอย่างนี้ต่ออืฝึกไปนะจนปัญญามันแจ้งนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็เป็นส่วนเกินความสุขความทุกข์ดูไม่ค่อยออกต<ร>มันจะเห็นจะเห็นแค่ว่ากายเป็นส่วนเกินอยู่เออนะดูไปร่างกายจิตเดิมไปถ้าจิตไปล็อกนิ่งเหมือนตอนนี้นะจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตจิตต้องไม่ล็อกไว้นะ แค่ปล่อยให้เป็นธรมธรมดานี้กําลังล็อกอยู่ล็อกอยู่ดูออกไหมยังไม่ออกครับจิตมันทื่อๆอยู่เนี่ยอ๋อถ้าทื่ๆถ้าจ <ๆ S 1> ิตทื่อๆอย่างเนี้ยนะไม่มีอะไรให้ดูเลยครับเวลาไปดูกายก็ดูได้ไม่ดีหรอกก็จะดูอย่างนี้เนี่ยมันจะทื่อๆไปหมดนะไม่ได้นะมันจะแกล้งทำครับขอบคุณครับขออนุญาตสอบถามไปขออนุญาตจบกันบ้างครับ รู้ว่ามันหลงกับเพ่งสลับกันนะครับแล้วบางทีราคาเกิดแล้วมันไม่เป็นกลางนะครับแล้วมันไม่เหมือนมีใจไม่มันไม่ตั้งมั่นมันไม่อยู่ตัวเองเออดีเลยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยใช้ได้ตรงที่รู้ทันนั่นแหละเราจะต้องทำอะไรต่อรู้อย่างที่มันเป็นนะถ้าใจไหลไปใจไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นถ้ารู้บ่อยๆนะมันก็ตั้งได้เอง แต่ถ้ามันไม่ยอมตั้งเลยก็ต้องช่วยมันหากเครื่องอยู่ให้จิตอยู่พุทโธพุทโธไปหายใจไปให้จิตเคลื่อนไปแล้วก็รู้มันจะค่อยๆตั้งขึ้นมาแล้วอะไรอีกนะคือวลาราคาเกิด<ๆ>มันราคาเกิดไม่เป็นกลางดีที่รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ต้องเป็นกลางหรอกถ้าราคาเกิดขึ้นมารู้ว่าไม่เป็นกลางใช้ได้แล้วจิตมันไม่เป็นกลางเองรู้สึกไหมเราไม่ได้สั่งมันเลยมันไม่เป็นกลางได้เองเนี่ยมันสอนธรรมะเราแล้วนะว่าฉันเป็นอนัตตานะ ดูลงไปเรื่อยๆนะเขาแสดงให้ uh เราดูแล้วว oui. ่าเราบังคับเขาไม่ได้จิตจะมีสติหรือไม่มีสติเราก็สั่งไม่ได้จิตจะตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่นเราก็สั่งไม่ได้จิตจะเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางเราก็สั่งไม่ได้นี่จะทำว่าสั่งไม่ได้ตรงที่มันแสดงการสั่งไม่ได้เนี่ยมันแสดงอนัตตาให้ดูแล้วแต่เรายังไม่เข้าใจเราคิดว่าเราจะต้องฝึกถ้าฝึกดีแล้วเราบังคับได้สั่งได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก เรื่องการมีชีวิตอยู่กับสตินะสติสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้เหมือนเรือเราอาศัยใช้ช่วงข่าวนี้เท่านั้นนะช่วงกางช่วงข่าวพอเราถึงฝั่งแล้วเราไม่ต้องไปเอามันหรอกไม่ได้รักษานะแต่มันเป็นอัตโนมัติสติสมาธิปัญญาไม่ต้องรักษานะแต่มันเป็นอัตโนมัติเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องฝึกไปก่อนนะเห็นใจที่ไหลที่คิดไหมเออ ถ้าใจไหลไปคิดพอเรารู้ทันใจก็ตื่นสว่างขึ้นมานะไปทำอีกไปเจ้ามศการครับหลวงพ่อครับตอนนี้ยังรู้สึกว่าเพ่งอยู่ครับเพราะเพ่งก็รู้ว่าเพ่งใ ช, ใช้ได้แต่ว่าโดยชีวิตปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้ความอยากที่มันเกิดขึ้นไะฮะสมมติเราเห็นมันจะวูบขึ้นมาเราก็พอทราบ พ, พอเราเห็นปุ๊บมันก็จะ ละลายไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็เท่าที่สังเกตก็จะเห็นบางครั้งมันร้องเพลงขึ้นมาอเอสักสองสามคำนะฮะรัตติแล้วก็เออมันร้องเพลงร้องได้นะร้ององีกมันก็ละลายไปนี่นะครับผมยังดีนะบางคราวมันร้องเพลงแนละ้วมันร้องอยู่วักเดียวร้องทั้งวันร้องทั้งคืนไม่ยอมล ะ, ละลายด้วยสินั่นแหละมันกำลังสอนธรรมะเราเหมือนกันนะต <c oughs> อนไม่แกบ้บังคับชั้นไม่ได้หรอก แต่ตอนนี้มันติดเพ่งอยู่ครับติดเวลาทำไมมันเพ่งรู้ไหมอยากดีเราพยายามจะรู้ทันพอรู้มันก็รู้สึกว่าสว่างขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ยังเพ่งอยู่นะครับเพ่งเนี่ยไม่เหมือนกิเลสนะครับเพ่งเนี่ยการควบคุมตัวเองการบังคับตัวเองนะมันไม่ใช่กิเลสมันเป็นความพยายามที่จะทำความดี เว่าสติระลึกรู้เนี่ยไม่ดับหรอกต้องรู้ทันต้นต่อของการเพ่งอีกทีต้นต่อของการเพ่งก็คือความอยากจะปฏิบัติอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีถ้ารู้ทันใจที่อยากนะทำลายต้นต่อคือความอยากได้มันก็เลิกเพ่งไปเองมันไม่เหมือนกิเลสอย่างถ้าโทสะเกิดเรามีสติรู้ทันโทสะจะดับทันทีการเพ่งมันไม่ใช่กิเลสแต่ให้รู้กิเลสที่อยู่ข้างหลังมันอีกทีนะ ให้กิเลความอยากดีอยากปฏิบัติมันดับนะการเพ่งมันก็ดับครับอขอบพระคุณครับอ้าวคนปียนาดหลังอุตส่าห์การค่ะช่วงหลังเนี่ยออดูดูขับทํางานนะคะหลวงพ่ อ, เ, อ, อเห็นแต่ละตัวได้อยู่เห็นเกิดเห็นเห็นมันทํางานเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมันดับไปได้อยู่แล้วก็ออส่วนกายเนี่ยสลดกับมันมานานแล้ว ทีนี้เมื่อสมอภิกรเนี่ยเดินจงกรมอยู่ก็กายที่สลดเนี่ยมันแล้วก็รู้สึกสยดสยองกับมันเนี่ยมันมันมีมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่เริ่มเดินก็สักพักหนึ่งเนี่ยก็เห็นเห็นขันทำงานในแต่ละตัวแต่ละตัวก็สักพักหนึ่งเนี่ยมันมันเห็นมันเห็นว่าคือคือตัวจิตเนี่ยอยู่ใกล้ๆกล้ายชัดอยู่แต่สักพักหนึ่งสัญญาทำงาน สังขารทํางานอะไรเนี่ยมันมันไปเห็นมันเป็นเป็นเหมือนก้อนๆนะคะแล้วกเหมือนมันแต่ละตัวมันอยู่อห่างๆกันเป็นก้อนๆแล้วมันมันเหมือนเยลลี่มีตัวกับเพื่มกับเพื่มนที่ๆึอยู่ข้างในแล้วตรงกลางมันกลวงกลวงอะค่ะพอพอมองไปตรงกลางกลางที่มันกลวงกลวงอะมันมันสลดมากมันสโยบสยบมาก แล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มกินเข้าไปแรงแรแรงแรเพราะนั้นมันถล้ำไปรู้ค่ะมันถล้ำไปรู้นะอย่าถล้ำเข้าไปค่ะเห็นเห็นอยู่ค่ะเหมือนมืนไม่มีตัวลุ้นว่าไปให้สุดไปให้สุดเหมือนเพราะมันมันเหมือนมันรอมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพอบอกว่าไปให้สุดมันก็รู้อยู่ว่าไม่ควรอันนี้คือจิตไม่เป็นกลางแต่มันไม่ดับนะคะทั้งที่เราก็รู้อยู่แต่ละมันก็ยังลุ้นอยู่ค่ะ แล้วเดี๋ยวพอมารู้สึกตัวอีกทีภาวะทั้งหมดก็ดับไปอย่างเนี่ยค่ะเนี่ดับมารู้สึกนะความปรุงแต่งก็หายไปหมดแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามปรุงแต่งนะคะเราฝึกไปให้เห็นในความปรุงแต่งทั้งหลายกระทั่งตัวจิตเองมันไม่เชี่ยงเป็นรูปเป็นนามต า, าก็ฝึกจิตไม่มีกําลังนะกําลังไม่พ อ, อก็อย่างออกมาหลังจากที่ออกมาแล้วมาพิจารณาสงสัยจะถักกลับเวียนถามหลวงพ่อว่า มันเป็นอย่างนี้หรือจริจริงหรือเปล่าหรือว่ามันที่เราเห็นมันคลาดเคลื่อนไปจะไม่คลาดเคลื่อนนะเห็นอะไรไม่สําคัญนะสําคัญที่เห็นแล้วเนี่ยเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นที่ใจเราให้รู้ทันเท่านั้นเองสิ่งที่ถูกเห็นไม่สําคัญหรอกใจไม่เป็นกลางนะคะใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางใจไม่มีกําลังให้รู้ว่าไม่มีกําลังกําลังไม่พอนะะรู้สึกไหมไม่มีแรง ขาช่วงนี้เหนื่อยมากเหือยนะใจต้องมีกําลังพอด้วยนะะเยันเดินปัญญาไม่ได้จิตถึงฐานไหมไม่ถึงไม่ถึงเห็นไหมเดินไม่ได้ครบเเดินปัญญาแมงไม่ได้นะตอนนี้ต้องพักคให้จิตมีกําลังก่อนะทําความสงบเลยทําสมถานี่แหละให้จิตมีแรงจิตมีแรงแล้วก็มาแยกขันดูเป็นทำงานต่อเวลาดูก็อย่าถาร่ามลงไปดูสับกว่ารู้วเห็นไหม ขอบคุณค่ะนวัสการ์ค่ะเออตอนที่ปฏิบัติมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่าเหมือนเห ม, มือนที่เหมือนเหมือนที่หลวงพ่อเคยพูดว่าทำไมตัวเองถึงชั่วขนาดนี้แล้วก็ปฏิบัติสักพักนึงก็จะรละลึกคำที่หลวงพ่อบอกวะ่าให้มนสติแล้วก็ถอยออกม แล้วก็หลังๆถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยว่าล้ก็จะปฏิบัติแล้วก็กลัวว่าตองจะติดสมาธาอาิอย่าให้อารมณ์มันครอบงำจิตได้นะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นแค่รู้แค่เห็นอย่าให้มันมาครอบงำจิตได้หลังๆนี่ถ้าถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยก็จะจะปฏิบัติแล้วก็กลัวว่าจะติดสมาธาิเพราะว่าทําไปสักครึ่งชั่วโมงก็ จะไมจ ะ, จะไม่อยากออกละค่ะอืมไม่ออกไม่อยากออกไม่เป็นไรกนะให้มันทำไปแต่ตอนถอยออกมาแล้วเนี่ยเสียงเกตใจเราใจเรายังอาลัยอาวรณ์ในความสงบรู้ว่าอะไรยอาวรณ์ถ้าใจมันไปชอบนะรู้ว่าชอบเนี่ยจะไม่ติดที่ติดเนี่ยเพราะว่าชอบแล้วไม่รู้ว่าชอบก็แต่แต่ก็สักพักหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ก็จะรู้ตัวเองว่าต้องถอยออกแล้วนะ อย่าจงใจถอนนะเวลาจิตรวมเข้าไปจงใจถอนอย่าปวดหัวมันถอนทของมันเองแหละมาถึงเวลาแต่ตอนที่มันถอนออกแล้วนะให้รีบมีสติเลยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปค่ะกรธรรมสการค่ะหลวงพ่อหนูฟังซีดีของหลวงพ่อนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติเองวันนี้อยากกราบขอคำแนะนําในการปฏิบัติของหนูเพิ่มเติมค่ะจิตตอนนี้อยู่ที่ไหน ตืนเ้นนะคะไม่ตืนานค่ะเราไม่ตื่นฐานนะให่ดูฐานเราแล้วเห็นกิเลสบ่อยไหมบ่อย<ว>นะะเห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นคนละอันกันบางครั้งค่ะค่อลๆดูไปนะ <cam. S 2> หเห็นไหมร่างกายกับจิตก็เป็นคนละอันค่ะดูได้ชัดไหมกายายชัดค่ะแล้วดูจิตกับกิเลสแยกกันได้ชัดไหมบางครั้งชัดค่ะถ้าดูได้ก็ดูไปนะ ดูไกลก็ได้ดูใจก็ได้ให้เห็นอย่างน้อยมีสองส่วนถ้าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราอย่างน้อยมีสองส่วนนะมันจะเริ่มสลายแล้วว่าตัวตนไม่มีหรอกปฏิบัติอันนี้ต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะเออตอนนี้ที่ปฏิบัติมานะคะวันนี้เห็นอยู่ว่า เวลาหายใจเลืล่อนลงไปเนี่ยค่ะจะเห็นฟองยุบเนี่ยตั้งมั่นอยู่พอพองแล้วก็จะชุกๆุกยุกยุกยุกยกยอยู่นี้ค<ม>่ะเมื่อจะมีสมาธิเหมือนเบบวเวลาเราสวจมลหรือว่าเวลาหาันไปมองอะไรแล้วจิตก็นิ่งอยู่นั้นจะเห็นตรงนี้ตลอดเวลาค<ม>่ะแล้วก็จะเห็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าเหมือนเหมือนมันเก่งอยู่ที่หน้าท้องค่ะแต่ว่ามันก็จะเห็นว่ามันมีตุ๊บตุ๊บยอดเกิดกับอยู่ด้วยนะคะ<ม>และอัอนที่ที่ที่จิตไม่ค่อยชอบเลยก็คือว่า เดี๋ยวเนี้ทำไมพอพอไปคุยกับใครหรือว่าพอไปรู้สึกอะไรเนี่ยมันจะร hmm. ู hmm. ้สึกเบื่อเออรู้สึกทุกข์ก่อนค่ะทุกข์แล้วก็เบื่อแล้วก็รู้สึกว่ามันวุ่นวายอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าพอรู้แล้วก็ก็จะเหมือนเริ่มจะหาเหตุว่าทําไมเขาพูดอย่างนั้นทําไมก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จะวางแล้วเหมือนเหมือนรู้แล้วว่าพฤติกรรมของเนี่ยเกิดจากอะไรเกตุจากอะไรแล้วก็ก็จะวางแต่ว่าไม่ชอบทิดว่าทําไมจะต้องติด มันละเอียดมากที่จะไปรู้อะไรรู้รรรแล้วก็มาทุกข์กแล้วก็วา น, ววานเพราะว่าตรงที่ไปดูท้องนะ่ะจิตมันถล่มลงไปจ้องท้องนะกลายเป็นสมถะพอจิตเราไปอยู่ตรงนั้นนั้นไม่อยากไปอยู่ที่ไหนนะมีแต่ความสุขความสงบสบายของเราอยู่คนเดียวออกมากระทบโลกข้างนอก น, อกนี่จูกไม่ได้นะนโลกนี้ร้อนเป็นพืนเปินไปเลยเหลือมากเลยคอ๋ออาการเนี้ยมันเกิดจากการติดสมถะนะอ๋อ เ, <มา S 1> เวลาที่เราดูท้องของยุบไหวยิ้มๆจิตเราไหลเข้าไปอยู่ตัวนั้นให้รูร้ทันว่าจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องอ<ช>่ะแล้วมันก็หายแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นว่ามันมันเกรงอยู่ด้วย อ, อ๋อเหมือนกับจะไปเห็นเป็นช่วงๆนะคะไม่ได้เห็นทั้งวันนะคะพอะเห็นเกรงอยู่แต่ว่าก็จะมีจิตรับรู้อีกดวงนึงว่ามันมีตุ๊บอยู่แล้วมันก็เหมือนบุบ รรูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ใหญ่จะถามหนูพ่ออีกนิดนึงก็คือตอนนั่งสมาธิทําไมมันลงไปคู้ยติเลยนะคะนั่นแหละรู้สึกตัวไว้นะแล้วก็รู้ค่ะแล้วก็รู้ใจใจมันถลําลงไปนะะแล้วจะมีอีกอันหนึ่งค่ะตอนนี้ที่นั่งคือคุ้ไม่คู้แล้วค่ะไม่คู้เมื่อหลายเดือนมาแล้วแต่ตอนนี้คือเวลานั่งเนี่ยคือบางครั้งก็จะเห็นคล้องที่ว่าหายใจแล้วก็พองแล้วก็ยุกยุกยุกแล้วก็รู้สึกมันตึงอะค่ะพอตึงปุ๊บ มันก็จะมีอาการแบบคล้ยๆอะไแบบตุ้มๆนี hiring? ่ฮะพอลลตุ้มแล้วมันก็รู้สึกโล่งสบายแล้วมันก็จะกลับมาเป็นเป็นตุ้มๆตุ้มๆตุ้มออกมาแล้วคือจะตีกับคนเละก็เลยเออนิ่มจะทำยังไงฮะเลิกซะได้ไหมกล้าพอไหมอะไรนะคะกล้าพอไหมที่จะไม่ทําแบบนั้นที่ที่เห็นยุบๆไปเหระไม่ใช่ที่จิตจะถล่มลงไปจ้องอล้วเนี่ยให้ให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้ว Uh huh. นะสมาธิอย่างนี้นะจิตจะลงไปแช่ในตัวอารมณ์นะ oh. เป็นจิตสมาธิชนิดที่หนึ่ง uh huh. นะสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยไม่เดินปัญญาหรอก uh huh. จะเป็นที่พักผ่อนเฉยๆ uh huh. นะเรามาฝึกอีกสมาธิหนึ่งจิตเป็นคนดูเห็ uh huh. นท้องฟองยกจิตเป็นคนดูดูห่างๆนะจิตไม่ถล่มลงไป uh huh. มันเหมือนเราชะโงกดูนะชะโงกรถเราทั ว, วขมำลงไปทิ่มลงไ ป, น, งไปนะ uh huh. จมลงไปจมลงไปทั้งตัวเลยที ให้ใจเป็นคนดูรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปแล้วก็หายแล้วแต่ก็หายค่ะคือเหมือนเห็นแล้วหายค่ะแต่มันก็ไดเห็นอยู่บ่อยๆจะเห็นอยู่ บ, บ, ยย บ, บ่อยๆกันะต้องฝึกนะต้องสติให้ดีให้จิตตั้งมัน่นคือไม่ควรจะไปดูใช่ไหมคะไม่ควรเลยไม่ดีไม่มีประโยชน์แล้วอย่างเวลาเดินจงกรมค่ะก็จะยกย่างนั่นแหละจิตไปอยู่ที่เท้าอีกค่ะอันนี้พอพอพอเดินเดินไปมันจะหลุดไปว่าเหลือแต่เดยียบค่ะแต่ว่ามันก็ยังจะไปเห็นยก ยากแต่ว่า ม, มันไม่มีพอบันทมันเห็นกายนะนนยแต่มันไม่มีจิตเป็นคนดูอยู่ถ้ามีจิตเป็นคนดูนะเห็นกายมันเดินจิตเป็นคนดูจิตไม่ถลำลงไปในกายนะต้องฝึกตัวนี้ให้ได้นะจะดูเฉยใช่ไหมให<อ>้ดูเฉยแ ต, ไต่ไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ถ้าถลำไปแล้วไปเพ่งอารมณ์<อ>ถ้าจิตเพ่งอารมณ์เรียกอารมณูกนิชฌานไม่ใช่วิปัสนะแล้วก็คือจริงๆต้องอยู่ในรูปแบบนะคะหรือว่าให้เดินธรรมชาติกว่า เดินธรรมดาก็ได้นะแต่ถ้าเดินธรรมดาแล้วสติดแล้วอย่างนี้ดีกว่าตะกี้แล้วบางที ม, มันมันรู้สึกเครียดน่ะคือจะรู้อยู่ว่าเวลาเวลาอาจารย์ให้กันบ้านมาอะะว่าต้องอยู่ในรูปแบบ น, นะต้องแบบนี้นะพอไปทำแล้วจะรู้เลยว่าทุกข์มากพอทุกข์มากมันจะกระตละตลาดปุ๊บมันก็จะสายพอรู้สึกเอ้ยคือตึงแล้วเราก็จะทุกข์มากนะบางคนจิตหลบไปเลยจิตดับนะจิตดับเป็นปลอมลูกฟักอให้คนอื่นได้เดี๋ยวโยมจะเล่าไปเรื่อยๆแล้ว แบบนรรมการหลพอครับพ็คราวที่แล้วหลวงพ่อก็ให้ดูกายไปเรื่อยครับเร mm. า, าจะเห็นจิตชัตดก็ไปฝึกทำฝึก ด, ดูเรื่ครับก็ดูร่างกายทำ ง, องอานดูใจทํางานกัเห็นไหมว่าขันมันแยกได้ใช่ไ mm. ครับนะทาได้ดีขึ้นแล้วละคือต่อไปนี้นะก็สบายสบายแล้วนะคือทํารักษาสี่ห้าทุกวันก็มาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะ แล้วก็ดูธาตดูขันมันแยกออกไปมันทํางานไม่จงใจเดีย๋ยวาไปจงใจแยกนะนะ่นมันแยกของมันเองติดติดตรงจงใจเยอะไปหรือเปล่าครับหือง <c oughs> ผ, ผมนี่ติดจงใจเยอะไปเปล่าครับนิดหน่อยมี ม, มีตัวอื่นอะไรต้องไปดูมานาติขึ้นเยอะแล้วล่ะ <c oughs> อย่าไปรียบร้อนนะทํ <c oughs> าไปสบาย ขันมันแยกให้เราดูได้นะขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราเหรอกยังงงๆกับตัวจิตอยู่ไ ม, ไม่ได้เห็นใจไม่ได้อย่าไปดูตัวจิตตรงๆจิตเนี่ยไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสีไม่มีอะไรเลยนะเราไปดูจิตจะไม่เห็นอะไรมันจะว่างๆไปการที่จะรู้ทันจิตเนี่ยรู้ทันผ่านสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตอย่างจิตตัวนี้มีความสุข พอจิตที่มีความสุขหายไปเป็นจิตเฉยๆเราก็จะเริ่มรู้นะว่าเออจิตนี้ไม่เที่ยงนะเมื่อกี้จิตเป็นจิตสุขตอนนี้เป็นจิตเฉยอะไรเงี้ยอาศัยดูผ่านเจตสิกหรือเมื่ี้เป็นจิตโกรธตอนนี้เป็นจิตไม่โกรธมันคนละดวงกันไม่ต้องไปพยายามดูเลยอย่าพยายามหลวงปู่ดูลสั่งไว้เลยนะอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอทําไมไม่เจอล่ะเพราะไม่ไม่มีอะไรก็เราอวที่แล้วหลวงพ่อแนะนำว่า ให้ดูให้เห็นไตรลักษณ์ของจิตเนนะี่ยสังเกตว่าดเดี๋ยวมันก็เป็นเออเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายดูคนสะังเกตตอนนี้มันเดี๋ยวมันเป็นผู้รู้เดี๋ยวมันเป็นผู้ อ, <ด>อย่างนั้นก็ใช้ได้ครับอไหละเราจะดูจิตตรงๆไม่ได้แล้วก็ดูผ่านเจตสิกจิตที่เป็นผู้รู้ก็เป็นจิตที่มีสมาธิเ <c oughs> มีสติมีสมาธิอยู่จิตที่หลงไปขาดสติขาดสมาธิ เราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้ก็ดูผ่านส่วนที่ประกอบกับจิตครับมันมันรู้ตกลึกๆเมื่อของมันครับว่ามันมันเห็นตัวเจตสิกนะครับแล้วมันเหมือนมันหงุดหงิดนะสิไปดูใช่ครับไปดูตัวหงุดหงิดไปก็กูบกุดจัดลำคานครับลาขานว่าเมื่อไหร่มจะดีสักทีอ๋อครับนัดกตับไปขอบพระคุณครับ ใช้ได้นะอานาดีรัศการค่ ะ, คะก็เคยสงกันบ้านมาแล้วแต่คือชว่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ยอมรับเลยว่าหลงกับโลกไปมากค่ะแล้ว เ, เจอความทุกข์มากแต่ทีนี้พอสองเดือนก็คือกลับมาหาตัวเองทีนี้ก็จะขอถวายการปฏิบัติก็ค่ะเป็นสองส่วนก็คื อ, อ, อส่วนแรกก็คือการปฏิบัติในรูปแบบช่วงแรกๆที่ฟุ้งซ่านมากก็พยายามจะหาวิธีที่ทําให้จิตมีสมาธิก็ นั่งเฉยๆไม่มีเสียงก็ยังฟุ้งซ่านอยู่เปิดซีดีหลวงพ่อก็ยังฟุ้งซ<ม>่านอยู่เพราะว่าด้วยความฟุ้งซ่านใจก็คอยไปคิดด้วยด้วยใช้ปัญญาพิจารณาสุดท้ายก็ได้สารพัญญะมามพอเปิดสารพัญญะก็จะรู้ก็จะเห็นว่าจิตอะไปอยู่ที่หูและอยู่ข้างเดียวด้วย<ม>แล้วทีนี้พออยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยจะเห็นการแชร่แต่พอเขาแช่ได้สักพัก ก็จะเห็นว่าเขาวิ่งวิ่งไปทั่วเลยค่ะก็จะวิ่งไปที่หัวเข่าบ้างที่หลังบ้างแล้วบางครั้งเขาก็จะวิ่งไปที่ความว่างข้างหน้าอพอพอไปตรงความว่างข้างหน้าก็จะเห็นเขาสงบอยู่พักหนึืงแล้วก็เหมือนจะก็คือไม่แน่ใจว่าจงใจหรือเปล่าก็เลยว่าเอ๊ะดูอยู่ข้างหน้าแล้วมันมันไม่น่าจะดีก็เลยถอนออกมาเองอะคะ่ะเออ<า>ดีแล้วละ่ะอย่าให้แช่อ ย, อยู่นานเสียเวลา หลายคนเลยชอบนะตัวเนี้ตอนนานแล้วเพราะว่ามก็จับว่างอยู่ยนึกว่าจะบรรลุมรรคผลไม่รู้หรอกไม่เคยเห็นทุกเลยเจ้าค่ะก็เลยก็เลยเขาก็จะวิ่งอย่างนี้ค่ะถ้าเขา <c oughs> เหมือนกับว่าเขาชอบสอนรพัญญา <c oughs> เขาก็จะวิ่งกลับมา <c oughs> แล้วเขาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือการสวดมนต์ <c oughs> เออเวลาเวลาสวดมนต์แบบมีเสียงก็คือเปล่งเสียงออกมาก็จะเห็นคือมันก็จะมีความฟุ้งซ่านก็คือใจลอยไปด้วยในขณะที่ปากขยับไป แต่เคยลองครั้งนึงโดยที่ไม่เป็นเสียงก็คือสดมนในใจอันนี้จะค่อนข้างเห็นละเอียดเลยว่าคือมันเป็นความละเอียดที่แบบว่าเดี๋ยวเขาก็ไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวเขาก็คิดบทสดมนเดี๋ยวตัวสัญญาก็มาแปลคําบทสดมนอย่างเงี้ยค่ะก็ทีนี้เห็นได้มันทําได้เองค่ะดูไปเรื่อยนะแต่อไปก็ทํางนี้แหละแล้วก็ค่อยดูไปเรื่อยมันทําได้เองถึงวันในใจมันก็พอมันก็ยอมรับความจริงไม่ใช่เราหรอกมันทํางานได้เอง ก็พอเจอสนามจริงคือคืออยู่เพชรบูร์เพิ่งมาจากขอค่ะหลวงพ่อทีนี้ก็มาเจอแบบเหตุการณ์ที่หลวงพอ่อเทศเมืม่อสักครู่คือกลับมาเชียงใหม่รู้สึกหงุดหงิดมากรถเยอะมากก็ค่ะ<ม>ก็เลยทีนี้พอยิ่งหงุดหงิดก็ยิ่งอยากที่จะไม่หงุดหงิด<ม>ก็เลยก็ก็หงุดหงิดแกตัวเองทีนี้พอลงรถปุ๊บเนี่ยพอเท้ากระทบพื้นได้แป๊บเดียวก็เลยติดมันก็เลยยอมรับได้ว่าโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้ค่ะ แล้วก็อีกนิดนึงค่ะก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยเคยคิดว่าต้องทําอะไรให้ช้าๆเดินให้ช้าๆค่ะทีนี้พอพอมาเดินธรรมดามก็เลยเห็นว่าจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้อยู่ที่การเราไปเพียมประคับประคองแต่ว่าคือเหมือนกับว่าโลกมันโลกในจิตอ่ะคะ่ะหลวงพอ่อมันช้าเองมีสติเห็นความเห็นทีลักขณะว่าขณะนี้อยากขณะนี้กําลังจะไปต่อสนองอสิ่งที่อยาก ใช่แล้วฝึกสติให้ได้วล้วไม่เป็นหน่วงอารมณ์ให้ช้าคำถามสุดท้ายค่ะหลวงพ่อถ้าผู้ที่ปฏิบัติไปจนอย่างน้อยได้ได้ทสโดาค่ะพ่อกับแม่จะได้บุญด้วยไหมคะเอา้าเราบอกแล้วเขาปลื้มใจเขาก็ได้บุญนบุญเกิดจากการอนุโมทนาเขาไม่ใช่เปรดนี่ได้ยกส่วนบุญให้นะ ถ้าเขายังมีชีวิตยอยู่เราไปบอกเขาแล้วเขาปลื้มใจเขากได้บุญเลยถ้าเขาบอก ba, อีบ้าออย่งนี้เขาก็ไม่ได้บุญเลยอ๋อไม่อยู่ที่ที่ตัวเขานะเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยต้องอนุโมทนาเอากราบหลวงพ่อครับพอแยกขันแล้วมันปิดมันคนรับไม่ไหวครับไม่ไหวมันฟุ้งซ่านไปแล้วครับเราทำความสงบเข้ามาบ้าง ได้ใจได้พักบ้างใจไม่ได้พักแล้วเวลามันมันจะไปอยู่ที่ว่างๆเจ อ, อมันหนีแนละ้ว ม, มันทนไม่ไหวแต่ว่าถ้าเกิดเห็นจิต ด, ดับไปตามอายตนะเนี่ยมันจะยอมรับไหวเลยเถ้าอย่างนั้นดูไอ้ตัวที่ยอมรับได้นี่แหละเราเห็นจิตเกิดดับตามอายตนะไปมันยอมมันยอมระดับไม่เที่ยงครับมัน เมื่อก่อนตอนเห็นขันมันก็ยังตั้งมั่นได้ครับเดี๋ยวนี้มันกําลังมันอ่อนไ ม, ม่ไม่พอสมาธิไม่พอแล้อย่างนี้ควรจะทํายังไงครับทาสมาธิก่อนให้ใจมีความสุขมีความสบายนะแล้วก็ฝึกให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาใหม่การภาวนาเนี่ยเรื่องลมลุกคลุกลานเป็นเรื่องปกติเป็นทุกคนแหละใจมหาบัวเป็นทุกขั้นเลยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทำเอาใหม่ เวลามันไปพักแบบนี้เราไม่ควรทําหรือเปล่าครับอย่าให้อย่าให้เคยตัวก็แล้วกันมันคงจะติดแล้วครับเออไม่เอาถ้างั้นไม่เอาเลยติดอะไรก็ไม่น่ากลัวมันไปติดว่างๆบางคนบอกว่าว่างอะ่ะดีสุญญาตาสุญญาตาอะไรไอ้ น, นั้นมันคืออากาสา ค, คืออากาสาร น, านายยัญญาตนะติดว่างมหาสุญญาตาเนี่ยไม่จําเป็นต้องกําหนดจิตไปที่ไหนเลย ถ้าจิตมันถึงทำแท้ๆแล้วมันมันว่างโดยตัวของมันเองแั้วไม่ใช่ต้องส่งจิตไปอยู่ตรงนี้แล้วถึงจะว่างนี่เป็นช่องว่างไม่ใช่มหาสุญญตาไี่จะไปเอามันถ้าติดตรงนี้นะตายไปอยู่ตรงนี้แล้วเสร็จเลยพระสีอานาเ ส, าาสาายเมตไตรมาจัสรู้ที่เราไม่ดูเรื่องเลยอย่างนี้เราถอยขึ้นมาที่รูปก่อ น, นใช่กลับมาที่รูปกลับมาที่รูปเลยถ้าจะติดใจว่างแล้วกลับมาที่รูปไป แล้ว เ, เราตั้งธาตุดินก่อนดี <c oughs> ครับตั้งธาตุดินขึ้นมาก่อนไหมครับไม่ต้องหนะให้รู้สึกถึงตัวนี้เลยนะยังไม่ต้องไปแยกธาตุแยกธาตุต้องสมาธิดีกว่านี้ครับสมาธิไม่พ อ, อยังพวกเ อ, อจิตที่ดับไปตามอยายตนะเนี่ยมันมีเจตสิกประกอบอยู่มีผมันเกิดับไปพร้อมๆกันอย่งทางตาและทางหูจะเห็นมันมีความเงีย บ, เยบๆเฉยๆประกอบอยู่ถูกมันเป็นรูปเด็กขาตาหูจมูกลิ้น เนี่ไม่มีสุขมีทุกข์นะแต่างกายมันจะมีทางกายมีสุขมีทุกข์นะทางใจมีสุขมีทุกข์มีเฉยครับไม่เหมือนกันหรอกเวทนาที่เกิดทางอายตนตะต่างๆมีไม่เท่ากันยังผมยังเห็นอยู่ไหมครับหลวงพ่อไอ้ตรงที่จิตมันดับไปตามพวันเป็นแต่จิตไม่ดีแล้วจิตไม่สมาธิไม่พรอนไปทําความสงบเข้ามาให้ใจสบายกว่านี้ก่อนใจฟุ้งสั้นใจระสํารสายไปไม่ดีครับนะ ต่อไปครับกราบนมัสการของพ่อปราโมทครับทีส่งกันบ้านครั้งแรกที่วัดอุโมงนะครับตอนนั้นติดเพ่งแล้วก็แยกธาตแยกขันไม่เป็นนะครับครับต่อมาก็หัดรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ รู้สึกว่ากายไม่ใช่เรารู้สึกชัดๆเลยนะแต่รู้สึกอยู่แค่พักเดียวเดี๋ยวไปโจงใจนะมันรู้สึกเองเลยครับครับแล้วก็ประมาณสามวันวันนี้ดูตรงกลาง อ, อกรู้สึกว่ามันโล่งๆไปมันมันเห็นไม่ชัดเหมือนเดิมครับมมเห็นไม่ชัดรู้ว่าเห็นไม่ชัดนะสงสัยว่าทำไมเห็นไม่ชัดรู้ว่าสงสัยไปเลยตรงนั้นเป็นตัวสังขารที่ปลุงขึ้นมา เห็นไม่ชัไดไม่เป็นไรครับออไม่ทราบว่าผมนี่ออสติอะไรพอจะใช้เจริญภัญญาได้ไหมได้ใช่เวลาฝึกจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมออรู้สึกว่าถ้าปกติก็จะเป็นอย่างนี้สักสองสาวันครับหลวงพ่อเป็นแบบนี้เหรออย่างนี้ซึมไปอ๋อค่ะให้มันกับพี่กับเราหนะ่ย สดชื่นอย่างนี้เอออะไรนี้จะได้อย่างงีโลกมันได้สว่างขึ้นมานะใหญ่นั้นไม่ได้นะครับแล้วขออนุ ญ, ญาตถามเล็กน้อยครับเอถ้าผมจ ะ, จะเจริญปัญญาเนี่ยต้องดูดูอะไรเลยครับคือให้ใจตั้งมั่นก่อนนะแล้วก็ถ้าสติระลึกรู้กายมันก็เกิดปัญญาสติระลึกรู้จิตมันก็เกิดปัญญาโง่ใจไม่ได้หรอกครับเวลาดูนี่ต้องคิดนํำไหมครับว่าเออ คือถ้ามันไม่แสดงใจรักก็ต้องคิดนํานะแต่ถ้าเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดำไม่อย่าไปคิดเสียเวลาอ๋อดูไปเรื่อยๆดูเฉยๆที่ครูบาอาจารย์ท่านคิดพิจารณากายพิจารณาอะไรเนี่ยเป็นอุบายนะค<ฆ>รับหลวงพ่อพุธท่านบอกอะไรเป็นอุบายนําร่องให้จิตมันเดินปัญญาอย่างไปทําสมาธิมากๆจิตก็นิ่งไม่ยอมทําอะไรเลยเนี่ยอย่างเนี้ยต้องไปดูกายแยกร่างกายเป็นชิ้นๆ น, นะ พอแยกร่างกายไปผมขนเล็บปันหนังแยกไปเรื่อยนะจนกระทั่งสลายกายหรือแต่จิตอันเดียวพอถัดจากนั้นพอสมาธิถอยออกมาเนี่ยมีร่างกายขึ้นมาใหม่มันจะเกิดความรู้สึกที่ชัดเจดนเลยกายกับจิตเนี้เป็นคนละอันกันเนี่ยเพิ่งจะมาหัดแยกขันหนึ่งเนี่ยยังไม่ขึ้นไม่ปัสสาเลยครับขอกันบ้านของพ่อครับอย่าให้จิตติดซึมนะจิตถ้าไม่ติดซึมแนละ้วก็ใช้จิตที่กับปรี่กับเปล่าเนี่ย ดูกายดูใจมันทำงานเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆครับอ่ะคน <ผม S 1> สุด <ผม S 1> ท้ายขอพระคุณครับกราบแทบเท้าหลวงพ่อโดยประมตคโอ้ผมไม่ต้องแต่งกลอนนะค่ะคือครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ดูเกิดดับนะคะก็ไปดูเกิดดับแล้วทีนี้มันเหมือนเหมือนกับว่าเรามันไม่มีใครในจิตนี้เลยอะคะออ่ะแล้วก็งงๆแล้วก็กลับมาดูเกิดดับอีกแล้วก็ มีความรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีใครในจิตอะครร่ะแล้วทีนี้ใครมันจะไปอยู่ในจิตเราหรอค่ะแล้วทีนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนความทุกข์มันก็หายไปส่วนหนึง่งแล้วความความรักมันก็หายไปส่วนหนึง่งอย่างนี้ค่ะแล้วเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าไม่รักใครอย่างนี้นะคะไปดูให้กันบ้านเวลาหมดละให้กันบ้านเลยนะค่ะ ให้ไปรู้ทันเวลาจิตที่มันฟุ้งในธรรมะจะไม่หนีไปตรึกธรรมะอะไรอย่างนี้น ะ, ะให้รู้ทันใันเข้าไปเลยจิตจะได้ตั้งมั่นค่ะขอคำถามอีกข้อหนึ่งค่ะคือตั้งแต่นี้ต่อไปก็ดูแต่จิตที่เป็นกุศลและอกุศลใช่ไหมได้ดูอย่างนั้นได้นะแต่ไม่ต้องไปหาใครในจิตนะค่ะใครมันจะมาอยู่ในจิตเราค่ะกราบ ข, อ, ขอพระคุณค่ะ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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตกัปปิยะพันธานี้กัปปิยะพันธานี้สัพพิวารานิสัพพิวารานิพิฆูขสังคัสสะพิฆูขสังคัสสะ โโนชยามะโโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิกัปยพันธานี้กัปยาพันธานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุ อัมหากลากงทีขคะรตั ง, ตงตหีตาย ะ, ายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องจัตุปัจจัยทายธรรมเครื่องจัตุปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แดหลวงพ่อปราโมทแดหลวงพ่อปราโมท ขอหลวงพ่อได้โปรดรับขอหลวงพ่อได้โปรดรับซึ่งจะตุปปัจใจไทยธรรมซึ่งจะตุปปจัจจัยทยธรรมพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ Cost. เพื B ่อประโยชน์เ like พื่อความสุขเพื่อความสุข แกบิดามารดาแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ญาติมิตรทั้งหลายญาติมิตรทั <interpret> ้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรและผู้ล่วงรับไปแล้วและผู้ร่วมรับไปแล้วตลอดจนเพื่อประโยชน์ตลอดจนเพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแกข้าพเจ้าทั้งหลายแกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอ ยถาวริวะพุราปริพุริเณติสักหลังเอวามีวัยโตดินังเพตานางูปะกปติอิจิตังปติตังทุมังคีพเมวาสมิชัตุสภีพุริตุสังเขปะจันโทปนารโยถามณีโชติราโสยถาสภีติโอวิบัติันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายโกภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจจังวิทาปเจียโนจตาโรโอธรมาวัฏันติยอายุวันโนสุขังพลังสาธุ